เราก็มีหน้าที่ฝั่งล้วก็นำไปปฏิบัติหลวงพ่อในอาชีพโดยตรงคือสอนคือพูดขอใครที่บวชอนนี้ไม่ได้บวดเพื่ออย่างอื่นเพื่อมาบอกมาสอนมาทำในสิ่งที่มันถูกต้องโดยเฉพาะข้อวัดปฏิบัติ เป็นหลักธรรมสัจดธรรมที่จะนำพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางความไม่มีทุกข์มีทุกข์หรือว่าขาดทุนแล้วเราไม่สิทธิ์ที่จะไม่มีทุกข์เราจะมาศึกษากันให้จัดเจ็บว่าไม่ข้อวัดปฏิบัติ อายหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสืบมาสารมาต่อมาเอามาทำอย่าให้มีอยู่ในตำราเอามาทำดูไม่ไม่เหมือนตำรายาตำรายาในบางทีก็คนเราไปกินบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูก บางีกรักษาโลกหายหบางทีก็าารักษ า, าไม่หายแต่ว่าหลักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้านําไปปฏิบัติก็มีผลกระทบทันทีเช่นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าไปโยกับกายไปโยกับคิตใจสร้างให้มีความรู้สึกตัว เราจะเป็นโลกคือความหลงความโกรธความทุกข์ถาหายไม่มากก็หายหน้อ ย, อยไม่มีคําว่าไม่หายถ้าเราทําีจริงๆนะโลกก็คือทุกข์ทั้งปวงเลยความโลกความโกรธความหลงความวิตกกวงวลเศร้าหมองโดยเฉพาะตัวหลงเป็นตัวเชื่อทําให้เกิดโลกเหมือนกับอ่า มันเก็เชื่อไว้พัดหรืออะไรต่างๆนั่นแหละมันทำให้เกิดโลกหลายอย่างตัวลงเนะี่ยตัวรูปจากตัวจังเป็นตัวคุมกำเนิดของความหลงถ้าไม่มีหลงแล้วสิ่งที่จะทำให้เกิ ด, เ ป, ก เ, ปปดเป็นทุกข์เป็นโสกเป็นวิตุกังวลจะไม่มีนะ ถ้าหลงน้อยโลกก็หายน้อยถ้าหลงออถ้าหลงถ้าหลงมากโลกก็หายหายไม่มากถ้าหลงน้อยโลกก็หายแต่มากโดยเพราะตัวลูกสึกตัวเลยเราจึงมาทำมาประกอบมาสร้างให้มีให้มีขึ้นให้ได้แล้วก็มีให้ถูกกัละเทศะ เวลาใดที่มันหลงเวลาใดที่มันไม่รู้ใส่ลงไปใส่ความรู้สึกลงไปถ้าจะใช่มันถ้าไม่ใช่ก็สร้างไว้สร้างไว้แต่ใช่เวลามันมันผิดเวลามันไม่ผิดก็สร้างเอาไว้เ <c> ก <oughs> ็บเอาไว้รักษาเอาไว้ให้เกิดความพร้อมพร้อมที่จะใช้ได้แล้วก็ใช้ให้เป็น เวลามันหลงรู้สึกตัวเวลามันหลงอย่าไปร่วมกับความหลงหาเหตุหาผลเอาชอบเอาไม่ชอบหรือว่าความหลงมันติดคมไม่หลงมันโผล่อย่าไปทังโน้นก็ได้พอ ม, มันหลงเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่สัมผัสกับโลกแบบนี้โลกแห่งความรู้สึกตัว โลกแห่งความลงไม่ต้องไปสัมผัสกันหรอกแม้มันจะสัมผัสก็ลกไปโลกแห่งความรู้จักตัวเวลาใดที่มันจะเกิดอะไรขนาดรู้จักตัวรู้จักตัวจะสัมผัสกับบุญจะสัมผัสกับกุศลจะสัมผัสกับมรรคผลในผ่านก็คือสัมผัสแบบนี้รู้จักตัว อย่าไปสัมผัสต่อมาโอ้ตายไปแล้วจพงจะได้สวรรค์ในพานนั่นนั่นมันคิดเอาเฉยๆหรอกไม่มีไม่เหตุมีผลอะได้สัมคิดของใครกรชอบคิดเอาวาดสโนภาพคิดไปต่างๆนานาตายแล้วจะได้สวรรค์กันโน่นชันนี้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เลื่อนลอยนะแต่ถ้าเรา รู้สึกตัวรู้สึกตัวสร้างโลกกั น, นเอ่ไว้กุยเอาไว้กุยทางเอาไวใ้ในคล่องในทางพร้อมรู้สึกตัวถ้าจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคผลในผ่านมันต้องตั้งต้นจากตรงนี้ถ้าไม่ตั้งต้นจากตรงนี้มันก็มีได้ยากนะอาจจะมีก็อาจจะโชคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ตกกระไดคอยกระโชด์มันมันก็อย่าไปหวังแบบนั้นเกินไปแต่ริงไหนไม่มีกับมือเราอย่าไปหวังฝังน ห, หน้าหมอน้าเราจะไปไหนมาไหนถ้าเราจะเดินทางจะไปไหนต้องเตรียมให้มีเื่องใช้ไม่สอยพร้อมที่จะใช้ในเวลาอะไรไปสายค่ากลางคืนยาสีฟันแปรงสีฟัน นี่ผ้าหนุ่งผ้าผมผัดเปลี่ยนพอสมควรอันนี้ก็คลองการเดินทางที่ไปสู่มรรคสู่ผลเนี่ยก็เช่นกันจะไปอาใัยความคิดต้องอาศัยการกระทำสร้างความรู้สึกตัวโลกแห่งความรู้สึกตัวสัมผัสกับโลกแห่งความรู้สึกตัว จะเห็นโลกอันอื่นหลายๆโลกนะไม่แต่ตาเห็นโลกแต่ก่อนมันไม่ไรมีความรู้สึกตัวมันไปทางอื่นไปซะโอ้ยได้ยินเสียงมันไปทางอื่นแล้วแต่นี้เรามารู้สึกตัวงได้ฟินไดลิ่นได้ลดได้ไสัมผัสจิตใจมันคิดที่ว่าธรรมะลมมันไปทางอื่นหมดชัดเราไปทางอื่นหมด ถ้าเป็นคลื่นมันซัดเราลงลึกเข้าไปรอรอคอรอคอลอยคออยู่แวกว่าอยู่กันน้อยไว้แต่รู้สึกตัวมันยกขึ้นยกขึ้นมาแต่รู้สึกตัวมันยกขึ้นมาไม่มีอะไรทับทอนได้เป็นโลกใหม่ๆมเป็นโลกใหม่ของชีวิตเรา เรียกว่านาวัีวันได้โลกใหม่ชีวิตใหม่โดยพาะความรู้สึกตัวทําให้ใหม่จริงๆนะเป น, นวัีวันมันใหม่คือเป็นพรหมจรรย์ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยเราประพฤติพรหมจรรย์ถ้าหลงเราพรหมจรรย์ด่างพร้อยทะลุะเราจึงมาฝึกหัดอาศัยการกระทําอาศัย แบบฉบับของพระพุทธเจ้าในตําราในพระสูตรพระองค์ก็ตัดไว้เพียงว่าการโค้งแขนเข้าการเหยียดแขนออกให้รู้สึกตัวการเดินไปข้างหน้าให้รู้สึกตัวการถอยเืนข้างหลังให้รู้สึกตัวการคลองชีวาการฉันบินธรบาดการหายใจเข้าการหายใจออกให้รู้สึกตัวนันเป็นคําสอน แต่ว่าเราทำให้มันเด่นในยุคนี้สมัยนี้เหมันะก็เครื่องมือสมัยทวนนี่เราต้องให้เกิดมีผลกระทบพอสมควรจึงจะแก้ได้เห็นตัวปฏิบัติต้องมานั่งยกมือสร้างจังหวะต้องมาเดินจงกรมต้องมาเคลื่อนไหวต้องมีหมูมีมิด ต้องมีสถานที่ต้องมีสิ่งแวดแล้อมมันจึงจะช่วยได้พอมันถล่าไปไกลแล้วเหมือนอาหารการกินทุกวันเนี่ยมันตางกันมากมากนะสามสปีก่อนมันก็ไม่เหมือนอย่างนี้ยี่สิบปีก่อนไม่เหมือนวันนี้สิบปีก่อนไม่เหมือนวันนี้วันนี้กับสิบปีก่อนไม่เหมือนกันอาหารการฉันที่พวกเราฉันอยู่กบฉันอยู่กินอยู่ โดยเพราะพระสงฆซึ่งไม่มีทางที่จะหลบหนีไดอ้อะไรที่เราฉันลงไปนมันต่างเก้าต่างสามสิบปียี่สิบปีต่างหาสิบปีอาจจะมีโทษมีภัยเพิ่มขึ้นของชโลดมากขึ้นบางทีตาเราดูก็รู้ว่ามีผงชโลดหอวคีมเข้าไปกัจา้าต่นงทีไร แต่ปลาล่าแม่แต่น้ำพิกก็มีจะ่งสลดมันต่างเก่ามันปรุงแต่งมันปรุงแต่งเกินไปนะทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องลูกเรื่องนามน้ำมันก็ปรุงเลยนะถ้าเราไม่พัฒนามันมันอยู่ตรงไหนก็ไม่ลูกแต่เนี่ยนามน้ำ ม, มัธยมนาำมัธยมที่อยู่ในชีวิตตราเลยลูกกระทำก็ปรุงไปแล้วมองอะไรไม่มองธรรมชาติไปแล้ว คิดอะไรก็ไม่คิดเป็นธรรมชาติเราคิดแบบปรุงปุงต่างแต่ชอบปรุงชอบแต่งไปแล้วแล้วเขาจึงมีวิธีกรรมที่จะต้องดูแลตัวเองกินเห็ดเลนจือพอเห็ดเลนจือมาต้มหลวงพ่อก็ยังไม่ได้กินเลยเอาจะให้ปิณศาส ต, ต้องให้ก็ยังไม่ได้ต้องกินเห็ดเลนจือต้องกิ น, น, กนยานางแดงต้องกินล า, างจืดเื่อถอนพิษ อที่ก็ต้องทำอะไรหรอทาอะไรอะไรอะไรกาแฟเขเรียกว่าอะไรนะดีท็อกดีท็อกอ่ต้องมีดีท็อกแล้วทุกวันเนี่ยนะแล้วก่อนนั้นไม่มีต้องมาขับพิษออกจากร่างกายมีหมอก็ศึกษาเพิ่มขึ้นเรียนรู้เพิ่มขึ้นมีประสบการ หาแนวทางต่อต้อตานคุ้มครองป้องกันโลกเพิ่มขึ้นองคพราวานก็ใหญ่โตเพิ่มขึ้นคนก็มากขึ้นเจ็บป่วยหลายรูปแบบโรคต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายนราจะไปอยู่ยั้งโตอยู่เหนเดิมไม่ได้เป็นเรียงลูกเรี่ยงเจ่าทวนเนี่ยต้องปวดขัน ก, ก่อนปวก่อนแต่ก่อนเนี่ปล่อยลงทุ่งลงท่าปล่อยเข้าดงเข้าป่าไม่มีอะไร เดินถนนหนทางเดินกันเป็นแถวพ่อแม่เดินก่อนลูกเดินตามหลังจูงวัวจงควายตามถนนหนทางวันที่ก็คีควายเป่าปีอ่าคุยกันพูดต้องเพลงอ่านหนังสือตัวเนี่ยต้องมองหน้ามองหลังตามถนนหนทางเดินก็ต้องสวมรองเท้าเชื่อโลกไม่แต่อากาศแต่ดิน มันก็ต้องขอสมควดจึงจะพ้นจากภัยได้การปฏิบัติธรรมกหมือนกันรเราจะไปซื้อฟื้นีวีโง่ๆไม่ได้แล้วหน้าไว้ใจอะไรคนทวาร แ, แล้วก็ลูกรถกินเสียงมันไม่เหมือนสิบปีก่อนเสียงก็ไปเหมือนสิบปีก่อนยี่สิบปีก่อนลถก็ไม่เหมือนสิบปีก่อนยี่สิบปีก่อน ว่า <c oughs> เขาปรุงแต่ไม่แต่ปรุงปรุงแต่ ง, ต ง, ง, ต ง, ตงคำพูดคมจ้าของคนสมมุตปมันยชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออตัางใช่ไหซ้อยอะไรต่างๆมาก่ า, ายโดยเฉพาะอารมณ์ของคนเลยมันเป็นเหมือนสีปีก่อนไหมวันนี้มันมีสิ่งแวดล่องที่ไม่ไดีนะ เราอยงสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันดีคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีเราจะประมาทไม่ได้หัวดียัีไงดีลกดีล้านดีก็จะประมาท น, นะความสุขก็จะประมาทความทุกข์ก็จะประมาทต้องมองไม่เป็นออกอย่าให้มีอะไรกักทังเราทายถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมาชาติมันเนินมันช้า บางทีเราก็เล่งแล้วปวดวิชาให้ตัวเองมาเห็นแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กได้เงินได้ทองมันก็เฉยไม่มีค่าต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เงินได้ทองแบโอ้เที่ยวเล่นสบายดีใจต่อมาต่อมาพอเป็นพ่อพานแม่เรือนเป็นคให้ลูกไว้เจ่าแบบได้เงินได้ทองกบบสร้างหลักปักฐานอพอต่อมาต่อมาพอแก่พอเทา่าเข้าไป เินในท้องไอ้คิดจากจะทำบุญทำทานโอ้ยปวกจะแกจะเท่าที่ไม่ได้คิดทำบุญทาทานมันก็ปอกันด้วแล้วไม่ว่าห้าไว้ใจไมหน้าไว้ใจเราจังปวดวิชาให้ตัวเองเพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งเสียเน่นเนิน่นมองให้เนิน่นมองแต่เนินเนินรีบเดิดเดยอดงจะถูกต้องความเป็นหนม ตื่นเติบตึกตึกเต็นหน่งนะมันสร้างความรูร้สตัวเลยมันสมกับโลกที่มันรุนไรงนะโลกที่มันรุนแรงต้องมาสร้างต้องมาปฏิบัติต้องมาศึกษาเขาเรกว่าโลกโลกมันมีรสชาติมากงงแงจนจนลืมพันได้ <c oughs> เหมือนมืนข้าวคัดพันเกินไปก็เลยลืมพันไปเอาไปมาจะจะไม่มีข้าวก็อาจจะเป็นได้มันคัดจนเกินไปอย่างมะม่วงเนี่ยนะคัดพันจนลืมจนไม่จนเป็นหมันไปแล้วข้าวคอขอห้าคอขอหกนะรออปักทองเนี่ยลอง เร า, เราลองเราเก็บพันตอไว้ไปลูกสิไม่มีโอกาสได้กินแล้วทุกวันปลูกมันก็ขึ้นอยู่มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเขื่อเป็นพุ่มจ้องป้องอยู่นั้นแหละไม่ล่มพุ่มแต่ก่อนพอมันเกิดขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งมันจะล่มไปแ ท, ทนเดือยไปัทนเือยแต่วันที่ปลูกแล้วลองม่ขึ้นเกี่ยวแต่ไม่มีโอกาส ล, ล่มเป็นพุ่มอยู่นั่นแหละคัดจนลืมจะ ต, ต้องซื้อเขา ต้องซื้อเขามาจึงปลูกได้กินแตงก็เหมือนกันข้าวก็เหมือนกันต่อไปต่อไปข้าวเม็ดระบาดนะทําำยังไงพวกเรามะม่วงไหนดูซิมะม่วงขึ้นสมองหลงคอยี่สิบปีก่อนปลูกเพี้ยจนโอ้เต้ดี้ไม่มีสกลูลเลยมันคันมันเป็นหมันไแล้วมันคัดจนเกินไปเียว่เสวยน้มดอกไม้อก ล, อล่องฝ่าลัน อะไรต่างๆชื่อเพราะทั้งนั้นแต่นี้มราก็ไม่เมตตาในต่ต้นสังหลงังหลาลูกถักปลูกประม่นี้มันปรุงเกินเกินไปโลกที่มันถูกปรุงกัมากมาเราอาจจะลงมากกว่าเก่าความรุนแรงของคนบ้าหูบเกีียวเพิ่มขึ้นนะเราจะทำยังไงเราจึงมาสร้างตัวนี้กัน มาให้มันเป็นคู่กับโลกสร้างความรู้จึตตัวดูนะตาเห็นโลกมันจึงจะใช้ได้โอ้จะยินเสียงมันจึงจะใช้ได้จะโมกได้ตื่นลื่นได้ลดมันจึงจะใช้ได้แต่เราหัดให้มันสู่ธรรมชาติมันกํากับได้กํากับได้เป็นลื่นของเรานี่ยแต่เราหัดกินอาหารที่มันไม่มีพิษมีใส่มันก็ใช้ประโยชน์ได้แต่เราไปหัดมันเป็นด้านสูภบุหรีเป็นลื่นมันด้านเลย กินมาจนลื่นมันด้านไม่มีรถอะไลเลยเค็มเท่าไหร่ก็เรียกว่าไม่เค็มเขาก็นั่งชันเข้ากับคนสุโขเลิก็อเค็มเราอะไรจะตายเขายัางขอนำปลาบ้างขอเกลือบ้างไม่มีรถอะไรเลยมันลื่นมันไม่อ่อนกินผงสุลดมากลื่นก็ทื่อเลย กบุหรีมากกินมากมากกินเล่าสเสียงเซติดในแต่ใจเขาเานะ่ะไปตรุงอะไรมันทื่อไปแล้วโกรธยังไม่รู้สึกตัวเลยหลงก็ยังไม่รู้สึกตัวด้านไปแล้วมันด้านไปแล้วอายกป็นหน้าอายก็ไม่อายไปแล้วการนุ่งห่มการแต่งตัวศีลธรรมมารยาทด้านหมดลันสวนต์เลย น, น, น ะ, ะไม่มีไม่เหมือนห้าสิบปีก่อนของคน เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีเหมือนห้าสิบปีหกสิบปีก่อนทาด้านไปหมดเลยใครไม่ลูกสาวใครไม่ลูกชายพอถึงไปเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวของคนสมัยก่อนแม้แต่พ่อคนแม่คนด่วนนี้นะก็จะไม่เหมือนพ่อคนแม่คนสมัยก่อนก่อนความรู้สึกคิดนึกเป็นยังไงก็ไม่รู้ ดูแล้วไม่เหมือนจริงๆนะหลงอยู่เป็นจำนวนมากหลงตัวยังไม่พอพาลูกพาเต่าหลงไปอีกแล้วเพราะฉะนั้ น, เ, นเราต้องกูกันแล้วต้องเรียกกันแล้วต้องมาปฏิวัติผิลนธรรมไม่เคลิ้มกลับคืนมาโลกาก็พินาศแน่นอนไม่อะไรๆก็ไม่ไหวแล้วตัวนี้มันใช่ ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากๆากชีวิตก็สิ้นเปลืองมากอะไรๆก็รีดเข้าไปมากๆเลยทวันมันรีดเราลูกบางก็รีดเอาจากเราเสียดก็งรีดเอาจากเราติ่มลดอะไรต่างๆมันรีดจากตัวเราอ๋อมันทำให้รีดตัวเราแรงงานของเราหมดเนื้อหมดตัว ไม่มีเวลาให้เจตัวเององรีบนอนรีบตื่นรีบกินข้าวรีบแต่งตัวรีบไปทา ง, งานรีบกลับบ้านขาดขาดอะไรทั้งหมดเลยเมื่อก่อนคนโบราณเรามันมีมันมีชานมนชานมนโปรไว้ลอยอากาศ นอกออกไปยื่นออกไปเป็นเรียกว่าฌานมนสำหรับอะไรสำหรับนอนคุยกันบ้านใกล้กันเป็นคุ่มเป็นข่วงเรียกว่าข่วง <c oughs> คุ้มข่วงคุยกันถามข่าวถามข่าวสวนกันมาดีก็ะหอบเหี่ยวตะกล้าเหี่ยวกล่องข้าวมากิน <c oughs> รวมกันได้ใ น, ในได้อิ่วได้อะไรก็ไปรวมกันทำขอผ้าเข็นฝ้ายปั่นฝ้ายแกะขี่ไหมหลอกพอบิพปอปันเชือกจับตอกพอนมันเอาไปหมดแล้วมันรีดหมดแล้วทำไม่ลงแล้ว งานบ้านงานป่าอุ่นวายไปหมดเลยความเป็นระเบียบของการทำงานเนี่ยไม่มีแล้มันรีดเราใจมันก็รีดเราร้อนมากพอนั่งยกมือแป๊บเดียวมันก็คิดไปแล้วพุ่งไปแล้วตรงไหนก็ไม่รู้ใครทำอะไรให้มันเป็นตัวของเราไให้มันมองตัวมองไม่ออกหลุดอกไปง่ายๆมันตั้งไม่ติดอะไรแตไห มันหิวไปไหนไม่รู้สิ่งแวล้อมมันหิวเราหนีไปก็วหว่างจงาสร้างใ้่ไหหลักในฐานมันมั่นจกหน่อยใช่นหพวกเราอ๋อนั่งยกมือสร้างจังหวะซึบซึบสิบสี่จังหวะสิบสี่ลูกมันจะรุนแรงขนาดไหนบักกลาก็ไววเหมือนเชือกผูกวัทมิน วัวเมเนเคย อ, ยอัวหัวถึกแต่ว่าโผล่ไปดึงันก็โดดไปดึงมันไว้มันหัวถึกนะจิตของเรานี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยฉายจะไล่มีเครื่องฉายจะไล่มีเครื่องขยายมีไม้มีมวนเท็ปทำคนเดียวหัวถึกทําเป็นรูปหัวลูกหัวถึกตัวใหญ่โต เอาหัานแต่มีบุรุษคนหนึ่งอยากจะจับวัวแต่ว่าวัวนะั่นมันมีเชือกขาดติดจมูกมันอยู่นิดหน่อยแต่ทํำยังไงเดี๋ยวจึงจะจับวัวตัวนี้ได้มันก็มีลอยให้จับต้องจับตรงเชือกนั้นให้ได้เอาหญ้าไปลอ่อเลี้ยงคอยอยู่คอยลอ่อมันมันก็ใกล้เข้าไปเข้าไปพอจับ มันก็ให้จับคอยจับเทื่อก็ดินนเดี๋ยะพอดินมก็มันก็ดึงเราไปวิ่งไปเราก็ดึงมันได้บ้างมันก็ดึงเราไปบ้างเดึงกันไปดึงกันมาแล้วก็ค่อยไม่วางไปจับไปได้โอ้หฟอดโมเวียงมันดึงไปแล้วก็ค่อยจับตจับตายจับตายคอยคุ้นเข้าไป นะหลวงพ่อก็ฉายเฉยลนะไปปฏิบัติทำที่ไหนหลวงพ่อจะฉายเไลยด้วยมันยายด้วย <c oughs> จะไปจะไปจะไปเอาไปวัวก็เชื่องพอวัวเชื่องก็จูงวัวมือจูงวัววัวตามหลังไปเอาไปมาไม่ต้องจูงวัววัวตามหลังไป เอาไปมาไม่ต้องจูงมันให้หัวออกก่อนหัวก็เดินดออกก่อนบางทีเราก็ขี่หลังมันเป่าขุยเป่าขุยขี่หลังหัวหัวตัวแต่ก่อนหัวตัวดำมีมีขาวนิดหน่อยที่หน้าผากเอาไปมาก็ขาวขึ้นมาตรงหัวขาวมาตรงคอขาวมาทั้งขาหน้าขาวไปข้าง น้างขาหลังขาวไปขาหลังขาวหมดหัวทั้งตัวที่ดำดำขาวหมดเอาไปมานั่งบนหลังหัวหัวนอนเราเปิดเป่าขุยให้หัวฟังอเอาไปหัววัวหายคนก็หายไม่มีอะไรเหลือไม่คือตัวปฏิบัติเราอธิบายได้เนี่ยจิตของเรานะเหมือนกับวอดถึกสติเหมือนกับจับปวด พอจับได้ก็วิ่งะการวิ่งเทินไปไหนมันวิ่งไหมวิ่งไหมที่เราลู่สุดตัวมันวิ่งไหมวิ่งไปทางไหนถึงบ้านถึงงานถึงการถึงลูกถึงหลานถึงอะไรมันวิ่งไปไหมนายแก้วนายแก้วฮะมาวิ่งเถอะน่าก็ดีเท่าไหร่ปวดถึกนะบางทีมันก็วิ่งหวงเง้านอนไปบ้าง อะ่มันวิ่งไปจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้เอาอะไรมาต่อตามเราได้หวังหัวมันตามเราเสิร์ฟไว้ไปมามันลูกเอาไปวางหัวออกก่อนมันลูกก่อนผอพูดถอนทก่อนคิดเออเต็มที่แล้วไปะนะเต็มที่แล้วความรู้สึกตัวนำ้ำอะไรแต่ก่อนความหลงมนันน้ำ อ, อมามาันความรู้สึกตัวมันน้ำมันน้มันนำ้นำ อาไปว่าความรูจ้จากตัวแต่ก่อนมันก็ดุแต่เราก็เชื่องลงเชื่องเออความหลงมันดุเราไม่เกิดกิเลสทัศนาเกิดพชัชพาดมันมืดมันดําอยู่นม่วอนแลราทำมันก็ดํมมาวามงงเอหอทอนแต่ว่ามันดำความคิตองสารความเมตตาสงสัยมันดําอำกายเทนาจิตธรรมแต่ก่อนมันก็ เป็นเรื่องของเขาคนน่งเขค่อยขาวค่อยขาวขาวบริสุทธิ์จนจนไม่เหลือจนไม่เหลือแล้วอย่างนั้นะที่มันยากยากจนไม่เหลือแล้วกลายมาเป็นเรื่องง่ายแล้วเวทนาก็ทําให้สนับสนุนทําให้บัรูธ้ธรรมกายก็เป็นเรื่องสนับสนุนทําให้เกิดการมันรูธ้ธรรม อิด ท, ที่มันดุร้ายก็สนับส น, นุนทําให้เกิดวันรู้ธรรมธรรมก็สนับสนุนให้เกิดธรรมแม้เป็นกุตอากุศลก็ทําให้เกิดกุศลขึ้นมาไายกลายเป็นดีคิดให้เป็นถูกทุกให้เป็นไม่ทุกแต่ว่ามันสนับส น, นุนขอบคุณมันด้วยนะในกายของเราเนี่ยไม่ได้แต่เรื่องขอบคุณไม่เมะไรที่จะไปโอ๊ย แต่ก่อนโอ้ยไม่ไว้แย่แย่ไอ้ไ น, นีขอคนมันมันมีเพื่อให้ไม่มีมีเพื่อให้ลูกเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเอาศึกษาเอาเหตุเอาปัจจัยที่มันมีอยู่นี่แหละเหตุธรรมมาเหตุตุกประภาวะเหตุสังเหตุตรงตถาคตนี่แหละสอนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเราก็มาลูกเรื่องนี้ าาพาวกทั้งหลายของพระเจ้าก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากอย่างที่เราสวดธรรมบัติสังเวชนิยสกถาเอวังเอวังรู้เรื่องนี้หละรู้เรื่องกายรู้เรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง ลกไม่ใช่ตัวตนจำแนกออกไปอย่างนี้คือที่รเราว่าเอวังภักดิเจ้าพรัสสะภควาโตสาสนานุสาสนีพระโหาราปวัตติพระโหคือมากอเอวังก็รวมลงอก็ทรงสาวกทั้งหลายลูกเรื่องนี้เป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเราก็เห็นทุกวันทวัน เห็นลูกเห็นเวทนาผมปดวดผมเมื่อยเห็นกายเห็นลูกลูกที่มันเกิดจากธรรมชาติลูกที่มันเกิดจา ก, าา ก, กจากาิตตนาะเกิดลูกเกิดสัมผัสความสุขความทุกข์โดยที่ไม่มีอะไรมากระทบกระทบกันเองเป็นลมจิตใจสัมผัสกับความคิด คิดข er ึ well, ้นมาเจ็บปวดคิดขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์มันเห็นะรแบบนี้รู้สึกตัวรู้สึกตัวสัมผัสเป็นรู้สึกตัวเป็นการสัมผัสเป็นสิ่งที่ทำให้หนักก็เป็นเบาสิ่งที่ทำให้เจ็บก็เป็นไม่เจ็บสิ่งที่ทำให้สุขก็เป็นไม่สุขสิ่งที่ทำให้ทุกข์ก็เป็นไม่ทุกข์ผมรู้สึกตัวนยเป็นธรรมเป็นธรรมความเป็นธรรมความเป็นธรรมไม่เป็นอื่นเด ไม่เป็นอื่นเอาความไม่เป็นธรรให้เป็นธรรมทำย่อมชนะธรร ม, ย อ, อ, รรมอยู่เสมอเนี่ยเรามาสร้างตัวเนี่กันมันก็พาเราไปอยู่ดอกนะทีแรกก็มีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนาเวทนาไม่ได้ไปหามันหรอกจิต ก, ก็ไม่ได้ไปหามันฝุดขึ้นมาเองทำเหมือนนั่นอ่ะมันมีเหตุมีไปใจที่ทำให้เกิด เป็นกุศลเวลากุศลกุศลก็คือความยิ้มแย้มแจมใสมีศีลมีสมาธิมันจะเกิดไปอากุศลก็คือควา ม, มง่วงเหงาหา่อนอนความระเลสงสัยมันก็เกิดขึ้นมาเราก็รู้เรารู้แล้วมันก็ลบแล้วลบเอากุศลลบบาปละบาปแล้วตัวรูปเกิดเป็นบุญขึ้นมาตัวรูปคือบุญตัวหลงคือบาปมันก็แย่กันอยู่แล่นะ ก็ลูกไปเห็นไปทําไปเอาไปมาก็เห็น <c oughs> ลูกมาทำเห็นนามมาทำที่มันมีอยู่ทําไมเราจะไม่เห็นนั่งอยู่นี่คือลูกใครจะเป็นอื่นมาเป็นอื่นมันไปเป็นไปไม่ได้มันเป็นลูกทีก่จริงเป็นลูกที่มันทําชั่วเป็นลูกที่มันทําดี เรายกมือสร้างเิตว่ารูปสืบตัวเนี่รูปมันทําดีแต่เราไปด่าไปฆ่าไปตีไปขไปไปโมยไปทําทุจข์กิตในทางกายยกรรมวิจีกรรมโนกรรมรูปมันทําชั่วนามมันทําชั่วอเออที่น้ำ ม, มันทําดีด้วยเรามีสติมันจับทั้งรูปทั้งน้ำความรูม้สึกตัวจับมาเป็นเจ้าของมีอํานาจจับรูป ก, กับน้ำ ม, มาไว้ด้วยกัน รู้จักตัวรู้จักตัวอยู่เป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งนะ่ความรู้จักตัวคือความเป็นหนึ่งเออความหลงก็เป็นอื่นนะความหลงเป็นอะไรต่างๆน้ําก็ไปทางอื่นลูกก็ไปทางอื่นตัวกระจายไปนะเราจะมาสร้างความรู้จักตัวมาสร้างความรู้จักตัวมันก็ค่อยเห็นมันจะสลุปมันจะรวมมันจะกวดมันจะตกแหล่ง รวบยอดนของโลย์จืกตัวพาให้รวมวงลงพาให้เกิดเอหวังพาให้น้อยของมากมา ก, มากทำให้น้อยของน้อยน้อยทำให้มากของโลย์จืกตั ว, นวเนี่ยว่าแต่เราสร้างให้มันมีแต่น ะ, ะก้มหน้าก้มตาสร้างลงไปจาน เอาเหตุเอาผลเดีย๋ยวเอาความชอบจเจี๋ไปเอาความไม่ชอบเอาการกระทำให้เป็นกรร ม, มาฐานจริงๆนี่ที่ตั้งมีการกระทาเห็นมันก็เห็นของที่มันมีอยู่นี่แหละจะไปเห็นสีเห็นแสงเห็นในมิตรเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็ไม่เอาเห็นสวรรค์อยู่บนที่ไหนก็ไม่เอาถ้ามันมีก็ให้มันมีอยู่ในกายในใจเลย ถ้าเป็นบุญก็ให้ใจมันดีถ้าเห็นบาปก็เห็นมันโกรธล้วก็เปลี่ยนความโกรธเป็น ค, ความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเราก็ละบาปสร้างบุญมีบุญคนมีสติมันก็ละบาปมันก็ละความชัว่วมันก็ทําความดีอยู่ในตัวมันเสร็จแล้วอแม่เราบางทีเราไม่ได้สมาทานศีลเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เคร่งคัดเรื่องนี้เพระสมควร ใเนในเนรก็ให้ไล่ให้ท่องสมณเณรศิกขาวันพระวันศีลก็ให้ในเนรสมาทานศีลพหะสงฆ์ก็กรงอาบัติแสดงอาบัติที่จริงมันเป็นไปแล้วคนมีสติมันก็ตรงอาบัติอยู่แล้วไม่ใช่ว่าสัพตตาอาปัปปติโยโลเกมิ สัพตะอปิโยโลเมิสัพพะลุลหกาอปิโยโลเมิสัพพะลุลลหกาอปิโยโลเมิสัพพะลกกสัพพะอัยนานาวัตถุกาเจิอปะิงตะตมหุเลิเเสมิปัสิโตปิโยอามะปันเตปสิ เอาสู้สัมิ์าจุดตัวันเตสัมฤทิสามิจุดติมปีตาจุดตัวฟันเตจัมฤทธิเทมินับปูในวังกระดิษฐเมนะบปูในวังพาจิตสามินะบปูในวังกินตยิตสามิมยันเป็นภาษาคำพูดถ้าเป็นตัวปฏิบัติแลก็ปองแล้วมันหลงปองแล้วเป็นรู้แล้วเรียกว่าเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นความผิดของ ต, งตงนไนเแล้วงมันคิดไปไหนมันคิดไปรักคนนั้นไม่คิดไปเกลียดคนนี้ปองแล้วรู้จึกตัวปองอวบแล้วไม่คิดอีกไม่พูดอีกไม่ทําอีกปองแล้วแม้ว่ามันคิดอีกก็พยายามเปลี่ยนเปลี่ยนไม่คิดอีกมาทอะไรก็เปลี่ยนไม่คิดอีกมันจะรักคนนั้นมันจะเกลียดคนนี้มันจะเกิดการปรุงแต่งเพ่งแรงในเพศในลดในกลามก็หยุดแล้วไปปองแล้วไม่ไปแล้ว มันหยุดลงแล้ววางลงแล้วหยุดแล้วเนี่ยมันปรุงอบัตอยู่ในตัวมันแล้วไม่ต้องว่าสัปตาอปเทีโลเกมิฝาครับผมผมนี่อาจจะผิดพลาดอวบัดเอาใเล็กน้อยที่ทำให้ผิดหูผิดตาผิดอผิดใจไม่ยุเร็กยูเใ็ความประมาท ไปเสียโชต์ตอบประโยชน์ท่านเห็นหรือท่านเห็นว่าท่านผิดเลยครับผมเอามาฟันเตปัสสเมไอเตียงเว์โซ่ใชหต่อไปท่านอย่าทำอีกนะครับผมอาสุธูฟันเตจงลิสะเมตย์เป็นเป็นคําพูดแม่จะบอกจะคิดอย่างน้าจะคิดอย้าครับผมครับผมแต่มันยังคิดอยู่มันก็ไม่ปุ่งไม่ปุ่งอาา่ะบัดบัดนี้เรามาทําเนี่ยมันปร่งเริงๆมันหยุดจริงๆมันไม่ไป มันรู้จักตัวมันรู้จักตัวเนี่ยคยามรู้จักตัวเนี่ยมันทระละความชั่วมันทำความดีปงองอวัตรตลอดเวลารักษาธรรมวินัยตลอดเวลาแม้แต่คิดมันก็ไม่ไปถ้าถึงว่าทำอะไรลงไปไม่ได้เจตนาะถ้าเป็นผิดก็ไม่ได้เจตนาต่สอสิ่งไหนที่ไม่ได้เจตนามันก็ไม่เป็นกรรมเจตนาหังกรรมมังวทาไม เจตนานี่ยแหละเป็นกรรมถ้าไม่มีเจตนา ม, มันก็ไม่เป็นกรรมพอเราเจริญสติเราก็ทำเวไนยอยู่แล้วนะทำเวไนยอยู่แล้วแต่ว่าให้เป็นทำเวไนยต้องจัดการกับตัวอย่งอยู่ในสาระเทศะปิย า, าะยามรยาต์ด้วยการนั่งการเดินการเดินการพูดการจาปิยามรยาติเนี่ยให้มัน กลคืกนกันไปอย่าแข็งกันด้างอย่าทื่อปือ้อเรจัดพัฒนาด้วยการนุ่งการหม่มการเดินการลุกเรอดูแลตัวเองให้พอเหมาะพอควรการขบการฉันให้ดูแลตัวเองให้พอเหมาะพอควร ห, ห, หวางตัวหวางตนพอดีว่าจีไพรเลาะสงเคราะห์โดยศินโดยธรรม นำทำ ม, มาไว้ในเราความรู้สึกตัวมีเท่าไรความเมตตาความอดทนความมีสติความมีความเพียรความมีศรัทธาความมีสมาธิความมีปัญญาปัดใช้บ้างให้มันรอบรอบตัวลู่รอบรอบถ้าเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราก็แฉมแ้งเห็นแจ้ง เห็นความหลงเปลี่ยนเป็นตัวลูกมันไม่มีสตินะขอให้เรามาสร้างสติเตอนะมันจะไปทลองนี้แหละมันไม่ไปทางอื่นหรอกเห็นนั่นเก่าเห็นแล้วเห็นอีกไม่เป็นไรเห็นความโม่งที่วันแล้วว่าเป็นไรหอกเป็นปีก็ยังไม่เป็นไรแต่ขอให้เห็นเถอะนะเห็นความคิดฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรเห็นนั้นเดียวนี้แล้ว ทำไมมันจังคิดอยู่ทำไมมันจึงคิดอยู่ไม่ต้องทำไหมมันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันเราจะลู่มันหน้าท่าเดียวเนี่ยมันจะโกรธเอาแต่เห็นมันเถอะขอให้มันเห็นเถ้ะอยากให้มันลอยนวลได้ความโกรธเอาไปมามันจะลู่จากอายมันกันความโกรธอายความลู่จากปัวเหมือนกันเพราะมันไม่จริงแม้ว่าลูกครึ่งคึ่งกลางกลางก็ยังดีแล้วโกรธก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่งมีสติอยู่นะ อาจจะมีเสถีอยู่ไม่ถึงร้อยเปเซ็นแน่นอนถ้าหลงหลร้อยเปอร์เ็นเลยทีเดียวกิเลสตัณหาก็1 0อยเปอรเ็นตงแต่งร0อยเปเซ็นแต่ถ้าเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันก็ถูกหักขาหักขาอารมณ์มันก็ย่อกระยักนิดหน่อยถ้าเห็นรูปมาทำเห็นนามมาทำแล้วเหมือนกับแมวที่มันคุบหนูมันกัดหัวหนูกก็ไปแล้ว หนูก็ดิ้นวิ่งไปมันก็ไม่มีภาษาอะไรหรอกเหมือนแมวที่มันสอนลูกมันมันจับหนูได้มันยังไม่ให้ตายนะเอามาปล่อยให้ลูกหนูเอาให้แม่เอาให้ลูกแมวเอาปล่อยลกหนูมันก็วิ่งไปลูกแมวก็วิ่งตามจับลูกหนูอ๋อจับหนูมันสอนลูกมันแต่ว่าหนูแมวมันแม่แมวมันอักขาไปแล้วมันไม่มันไม่เก่งนะตัวยานตัวปัญญา ที่มันไปเห็นรูปทำเห็นนามทำเหมือนกับหักขากิเลสถ้ามันมีกิเลสอยในรูปอยู่ในนามมันก็ทําลายลงแล้วเห็นรูปเป็นนามเห็นแต่รักเห็นอารมณ์ได้อารมณ์ก็ไปเห็นสมมติเห็นบัญญัติลื่แล้ววันลื่ถอนแล้ววันกําลังจะจืดแล้วไปเห็นสมมติเห็นบัญญัติเนี่ยจืดแล้วอารมณ์มันจืดแล้วถ้าเป็นเชื้อโลกก็จืดแล้ว หมอกาลังปราบไดแล้วอ่อนลงแล้วตัวไม่ร้อนมันเดิมแล้วเย็นลงแล้วไม่การหาก็อุ่นขึ้นมาบ้างแล้วลดลงแล้วลดไข้ลงได้แล้วถ้าเห็นสมมติปัญญนญ่าไหนลดลดลดโรคลงได้เยอะนะจืดแล้วถ้าเป็นเชอโรคอยู่ในร่างกายหมอกาลังล้างท้องแล้ว ยาพิษล่างออกแล้วขับออกหมดแล้วมันเป็นไปทรมนองนั่นการปฏิบัติธรรมความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาไฟบาดความทุกข์อ่อนเปี้ยเต็มทีแหละสติก็ใหญ่ขึ้นปัญญาสมาธิใหญ่ขึ้นนะต่างเก่าอยู่หรอะจะไปลังเลสงสัยทำไมต้องปฏิบัติทาไม ม่นใ้ปฏิบัติมันจะเป็นอะไรมันปฏิบัติแล้วมันให้ผลอย่างไงมันเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดหลองข้อไปคิดเหมือนกันเฉลยสอนถ้าไม่ถ้าปฏิบัติได้ถ้ามันรู้แล้วมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดหรอกมันไม่มีคาถามแบบนั้นมันจะเป็นคาตอบเอาเองใครถามใครตอบคนที่ตอบก็ไม่ถทกหรอก พร่อเราตอบเร เ, เห็นเองมันจึงจะถูกต้องนะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติที่เราทําอยู่นี่เป็นเราลู่ออเองใช่ไหมเราก็หลง เ, เอาเองใช่ไหมเวลาเราหลงเราลู่ออเองเราหลง เ, เวลาเราหลงเราลู่หรอความหลงมันเป็นยังไงความลู่มันเป็นยังไงมันทําหน้าที่ต่างกันอย่างไรความลู่กับความหลงมันลงไปทางไหนแล้วแต่ หลงไปในความคิดลงไปในตาในหูในจมูกในลูกในรสในกิน่นในเสียงควมรู้ตัวเดียวเขาไปรู้สิบตัวหรือมันเป็นอย่างไงมันจะเป็นอย่างไงก็ท่านทั้งหลายก็ตอบเ อ, เองอยู่แล้วนี่คือของจริงเอาของจริงมาพูดเอาของจริงมาทําให้เห็นของจริงอาจารย์ผู้สอนก็บอกกันนี่พูดทําก็เห็นอย่างนี้เห็นไปทํานองนี้สอนเราไม่รู้ไม่เห็นเน่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ของเิ่งหรอกไม่ใช่คำสอนของพุถุเจ้าสอนเรื่องการจเจริญสติแล้วก็มีสตนินี่แหละนะเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็สมมาภาควร่วะต่อยุดติไว้เท่านี้พวกเราก็กราบพระพร้อมกันระหังสมมาสมพุถุภาควรทูทังภาควรตังอัคคิวาเท ตักัสตูหาขวัติธรมโธมนมตะปฏิปโนภะโตสาวกัสสุตังหัมม